ปฐมภัษายตนาสูตรนสังยุตติกายสลายยตนาวัรคนะคือช่วงนี้กําลังสนใจว่าอย่างไรชื่อว่าตกจากธรรมวินยัยอย่างไรชื่อว่าไกลจากธรรมวินัยนะนีอย่างไรชื่อว่าอยู่ในธรรมวินยัยเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะทบทวนถึงเรื่องชีวิตของเราจริงๆว่าจะไปยังไงกับคําสอนกันนะว่างั้นเถอะ ถ้าเข้าใจหรือถ้าปฏิบัติตามอ่ะทําไมจึงชื่อว่าปฏิบัติตามมันต้องตอบได้ทั้งหมดนะนะียกว่าไม่ไม่ใช่หมกเม็ดนะนะกลบกลบเปลื่นเปลือนไปวันวันหนึ่งไม่ใช่ตินหน้าวัฏอากะเอายามากลบไว้ปิดปิดไว้นึกว่าใช่ล้วงไปลวงมาหาไม่เจอสักอ่านะว่าจะไม่ให้เป็นลักษณะนั้นมันถ้าหากว่าเราเข้าใจคําสอนเนี่ยเข้าใจเพราะอะไรเข้าใจตรงสูตรไหนทําไมจึงเข้าใจอะไรเนี่ยต้องตอบให้ได้หมดนะนะแล้วก็ใช้หลักวิชาเนี่ยนะคือ คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดในสิ่งที่เราทาอยู่ยนะหรือว่าเพื่อที่จะได้เห็นว่าเราทำเนี่ยสอดคล้องไหมเพราะว่าพระปริยัติธรรมนี้ท่านอยู่ในฐานะอะไรของเราปริยัติธรรมนี่อยู่ในฐานะอะไรของเราปริยัติธรรมอยู่ในสาระของเราผู้ที่กล่าวพระปริยัติธรรมนั่นแหละคือาศาสดาของเรา อนนะผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผลในฐานะนาบุญของเราอันนะั้หรือเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพะระปริยัติธรรมนี้จึงอยู่ในฐานะสารณะของเราที่พึ่งของเราเนี่ยนะนะแล้วก็ที่พึ่งอันนี้นี่พระพุทธเจ้าฝากฝังว่าเป็นตัวของพระ อ, องค์ด้วยเนี่ยนะนะธรรมวินยัยใดที่พระ อ, องค์ล่วงไปแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย มันเป็นทั้งธรรมะด้วยเป็นทั้งพระพุทธเจ้าอยู่ด้วนั้นด้วยเพราะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในปฐมภาษายตนาสูตรเนี่ยเขบอกว่าผู้ไม่ทราบชัดความเกิดเป็นต้นเป็นผู้ไกลาจากธรรมวินัยหัวข้อหลักท่านตั้งไว้อย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ภิกษุบางรูปไม่ทราบชัดความเกิดความดับอสาศทะอาทีนวะและนิสรณะหรืออุบายเครื่องสลัดออก แห่งภาษายตนาหกตามความเป็นจริงพรหมจันทร์อันเธอยังไม่อยู่จบแล้วเธอชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้นะถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็คนไกลจากคําสอนเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชิบหายในพระศาสนานี่โอ้โหกระเทือนภิกษุรูปหนึ่งมากเลยนะ เพราะข้าพระ อ, องค์ไม่ทราบชัดความเกิดความดับคุณโทษหรืออาสาทาอาทีนวะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนาหกตามความเป็นจริงเพราะข้าพระ อ, องค์ไม่ทราบชัดเนี่ยโอชิพหายจากศาสนาแล้วว่ะงั้นภิกษุรูปหนึ่งท่านสังเวชใจนะพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นช่นไะร เธอพิจารณาเห็นจากส่วนนั่นของเรานั่นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้หรือเธอตามเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเธอตามเห็นจากสูนี้ด้วยความเป็นอัตตาหรือว่าตามเห็นจากสูด้วยอำนาจตันหามานาทิฐีหรือเปล่าหามิได้พระเจ้าค่ะคือไม่ได้ตามเห็นว่าจากสูเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเลยพระองค์ตรัสว่าดีละนะดีละแปลว่าสาธุภิกษุ ในข้อนี้การที่เธอพิจารณาเห็นจักสูด้วยอาการอย่างนี้วันนั่นไม่ใช่ของเรานั่นเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้จักเป็นอันเธอเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะหรือว่าถ้าไม่ตามเห็นด้วยอำนาจตัญหามานะทิฐิซึ่งจักสูถ้าหากว่าตามเห็นจักสูด้วยอำนาจตันหาจะเป็นลักษณะไหน ตามเห็นจักสูด้วยอำนาจตันหาคือยินดีในจักสูที่เคยมีในอดีตหรือปรารถนาจักสูในอนาคตพอใจในจักสูที่กำลังเป็นอยู่อันนี้ลักษณะของตันหาถ้ามานะอหละเมื่อก่อนนี่ตาเราดีกว่าตาใครทั้งหมดแหละทั้งนี้เอาชาติหน้าเฮ้ะจะทำบุญและปรารถนาให้มีตาดีกว่าทุกคนเลยตอนนี้ตาเราดีกว่าตาของทุกคนหมดเลย อันนี้เขเรียกว่าตาเห็นจากสู่ด้วยอำ น, นาจของมานะาตาตาอันใดเราก็อันนั้นตัวเราจริงๆคือตัวตาตากับเราอันเดียวกันหรือว่าเรานี่อยู่ในตาเราเนี่ยมีตาตาเนี่ยอยู่ในเราห ร, หรืออยู่ในอัตตาเนี่ยนะสคัญด้วยอำ น, นาจของทิฏฐิแล้วก็ต่อด้วยสัสตตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิต่อไปอเพราะฉะนั้นลักษณะนี้แหละ คที่ตามเห็นจักสูดด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิถามว่าพระองค์ถามว่าเธอตามเห็นแบบนั้นใช่ไหมบอกไม่ได้ตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะบอกว่าการที่เธอตามเห็นแบบนี้จักเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นด้วยวิปัสนาอันชอบแล้วตามความเป็นจริงนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ว่างั้นแล้วก็ไล่ทวาร อ, อื่นอีกโสตะเธอตามเห็นหูแบบนั้นใช่ไหมจมูกลิ้นกายใจ อ่าแล้วใจอ่ะเธอย่อมพิจารณาเห็นใจวันนั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดัง น, นี้หรือหาม่ได้พระเจ้าค่ะดีละภิกษุในข้อนี้การที่เธอพิจารณาเห็นใจว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เราเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้จะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกอย่างนั่นแหละการไม่ตามยินดี ตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยนะด้วยอำนาจตันหามานาทิฏฐิแสดงว่าคนนั้นจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นอย่างดีเดี๋ยนะก็บอกว่าในพระสูตรนี้กล่าวว่าอัตกถานะเอท่าหังพันเตอนัสสาสังนี้ภิกษุทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้ชีพหายแล้วในพระาศาสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดําริว่า ภิกษุนี้กล่าวว่าเราเชื่อว่าชิพหายแล้วในพระศาสนานี้เธอยังมีความเพียรยิ่งในธาตุกรรมฐานและกสินเป็นต้นอย่างอื่นหรือหนาเอภิกษุรูปนี้เนี่ยท่านรำพันถึงความเสียหายของท่านนะนะมีอุปนิสัยในด้านอื่นๆ อ, อ, อีกไหมตรวจเช็กดูก่อนเมื่อไม่เห็นความเพียรยิ่งนั้นนะเพให้สอนธาตุก็ไม่ได้เรือ่องสอนก ร, รมกระสินเป็นต้นก็คงไม่ไในงานเหมือนกัน พงศ์ก็เลยดำริว่ากรรมฐานอะไรหนอจจกเป็นสัพพายะเป็นที่สบายแก่พิสูจน์นี้ออดีนะไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอย่างอัธยาศัายได้อะแกแบะเบ็ดเสร็จแต่นั้นก็ทรงเห็นว่ากรรมฐานคืออายตนะนี่แหละจักเป็นสัปพายะเมื่อจะตรัสบอกกรรมฐานนั้นจึงตรัสว่าตังกิงมัญญสีพิขู ด, ดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าที่บอกว่า เธอจะเห็นด้วยปัญญาด้วยดีอันชอบตามความเป็นจริงนี่เป็นที่สุดแห่งวัตถุทุกด้วยนะตามไม่การไม่ตามเห็นจากสุดโดยด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะนี่นี่เป็นที่สุดคือความขาดไปแห่งวัตทุกขเพราะตัณหาไม่ตามเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนสูดที่สองเนี่ยก็ตัดแบบเดียวกันนีนะ ตรัสแบบเดียวกันเลยนะก็บอกว่าผู้ที่ภิกษุที่ไม่รู้ไม่รู้ชัดไม่ทราบชัดเนี่ยนะความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสระแห่งภาษายตนา6ตามเป็นจริงพรหมจันทร์อันภิกษุนั้นไม่อยู่จบแล้วเธอชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมวินัยนีนนะ้สูตรที่สก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าวิธีอธิบายแตกต่างกันคือภิกษุรูปนั้นรูปหนึ่งกล่าวบอกว่า ข้าพระ อ, องค์เป็นผู้ชีพหายแล้วในธรรมวินัยนี้ข้าพระ อ, องค์ไม่ทราบชัดความเกิดความดับอาสาธาอาธีนวะนิสรณะแห่งภาษายตนาหกตามเป็นจริงพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนภิสูจทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อ น, นั้นเป็นชนะจักสูเที่ยงหรือไม่เที่ยง น, นะวิธีถามพิษูุรูปนั้นก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าข่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวันนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าหูจมูกลิ้นกายและใจก็นัยยะเดียวกันเนี่ยนะ ะัการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะเรื่องอาสาทอาทีนวะนิสรณะเหตุเกิดความดับนี้นับว่าเป็นกลุ่มธรรมะที่สําคัญมากและก็เป็นหลักเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยอันในคัำพิ์เนติปกรณ์นี้เอาหลักเทศนาหอย่างเนี่ยขึ้นตั้งในหาระสิบหข้อเรียกว่าเทศนาหาระเลยว่าหลักเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นอาสาทอาทีนวะนิสรณะวังอาจนรยต้องแสดงตามแนวนี้อย่างเดียว ถ้าหากว่าเราเรามาพิจารณาทีพิจิิงจริงนะครับเรามีชั้นธราคะในในหูตรงไหนครับในจมูกตรงไหนในลิ้นตรงไหนจริงถ้าเราเป็นคนแก่ด้วยอืมเราก็ไม่มีมานาวตาเราดีกว่าคนอื่นดูๆล้วเนี่ยเพราะว่า<น>มานะนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องสําคัญว่าดีกว่านะสําคัญว่าเสื่อมกว่า คนหนุ่มคนสาวนั่นก็มานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอยกตัวอย่างนะโอ้ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมีแต่คนศึกษาชั้นสูงสูงเรานี่แหมมันศึกษาต่ำไอ้ น, นี่ก็มานะอีกอย่า ง, นนางหนึ่งมันมานะอ้เท่ากันพวกเราเนี่ยมานะเราเนี่ยดีกับเขาทั้งหมด ก, ก็มานะเอกเพราะฉะนั้นสําคัญอย่างใดก็ตามแต่ก็มานะอย่างหนึ่งงั้นยอมมีมานะ <c oughs> ตัวนี้ในข้อเจ็ดนี่ยครับที่ว่าฉั้นราคะเนี่นะฮะเพราะตัวฉั้นราคะเนี่ยนะทําให้ไปเกิด ทำให้เกิดอีกทําให้หูเกิดอีกเจนพเพราะว่าอํานาจฉันนราคะในในตาในหูในจมูกของเราเนี่ยจริงๆริงในะชีวิตประจำวันนี่เราเรารักมากหรือยังไงครับเราเพลิดเพลินในสิ่งของเราหรือยังไงครับก็รักมันเอา้นะดูดูแล้วก็<อ>ดูนะถ้าจะไม่ได้คิดก็มีวันวันรักรักไม่รักก็ดูนะถ้าทางตาเนี่ยถ้าใครมาปิดตานะ<ม>นั่งนั่งอยู่นะใครมาปิดตานะด้วยอํานาจความรักอันนั้นนะ่ะหรืออยู่ๆใครมาอุดหูเนี่ยนะ ข้งหลังเนี่ยเดินไม่รู้จักเลยนะมาถึงก็อุดหูเราเลยมาถึงก็มาจับบีบจมูกปิดไม่ให้หายใจเนี่ยนะกลิ่นหอมๆเนี่ยมาปิดไม่ให้เรารับรู้เลยเพราะคือเรายินดีในภาษาใช่ไหมแต่ว่าภาษาจะเกิดขึ้นได้อาศัยวัตถุสามอย่างนั่นแหละอย่างเช่นเรายินดีในสีอยู่เนี่ยเราจะไปบอกว่าเราไม่ยินดีในตาไม่ได้ถ้าลองตามันมุมมัวดูสิชักยุ่งแล้วนะหรือว่าฟังเสียงไม่ค่อยชัดอะไรนะ อยงี้แสดงว่าเอหูเราเป็นยังไงะนะหรือจมูกเนี่ยหายใจเป็นหวัดนะเขาหอมกันหมดเราไม่หอมอยู่คนเดียวอย่างงี้นะเราไม่ได้กลิ่นอยู่คนเดียวเองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะหรือลิ้นเนี่ยมันจืดมันอรรถอะไรเข้าไปก็มาในเรื่องสักอย่างเลยนะอันนี้ก็ชักยุ่งแล้วนะหรือว่าร้อนเกินไปเนี่ยนะนี่กายเราร่างกายเราเป็นยังไงนะ้เย็นเกินไปเป็นต้นทั้นเรายินดีในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะถามว่าที่เรายินดีในอันนี้จะรู้ได้ยังไงเพราะเรายินดีในผัสสะ ยินดีในการเห็นยินดีในการได้ยินยินดีในการรับกลิ่นยินดีในการรู้รสเนยะยินดีในอาหารในรสอาหารแล้วก็ยินดีในโพธิภะอันนั้ยนะยินดีมากยินดีน้อยก็ชื่อว่ายินดีถ้าหากว่าถ้าไม่ยินดีเราเห็นโทษสิ่งนั้นนั้นไม่ละเห็นโทษเห็นโทษเพราะอะไรเห็นโทษว่าโอ้เรานี่ อายุมากแล้วมันไม่เหมาะสมเป็นต้นนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะแสดงว่าลรห้อยหาไอ้ไอ้ความเป็นหนุ่มเท่าเดิมเพื่อที่จะได้ไปบริโภคสิ่งนั้นๆได้อีกเนี่ยนะเพราะไม่ได้เห็นโทษในลักษณะว่าเออสิ่งเราเนี่ยเป็นไปเพื่อวัตถะนะหรือว่าเห็นโทษว่านี่คือขันเนี่ยนี่คือธาตุซึ่งขันเนี่ยเหมือนกับเพชรคาดธาตุเนี่ยเป็นเหมือนกับของว่างของเปล่านะไม่มีสาระแกนสารหรือว่ายั่งถึงสิ่งนั้นนั้นด้วยอํานาจปัญญาหรือว่าด้วยอํานาจของอะไรเนี่ยนะ การสอบสวนพวกนี้จึงมีความสำคัญมาก น, นะต้องเป็นเป็นนักตรึกสอบสวนเรียกว่าเอาดำเอาเขาวมาเทียบเคียงอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนะคือสรุปแล้วก็สมุทัยสยศัตร์นี่แน่นอนอยู่แล้วเจนพานดูไหมครับถึงจะด้วยตำหามานะทิฏฐิสมุทรยสยศัตร์เกิดร่วมด้วยหมดขณะที่มีมานะไม่ใช่ไม่มีตำหานะ ขณะที่มีทิฏฐิก็ไม่ใช่ไม่มีตันหาตันหะทั้งนั้นนะครับตันหาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าถ้าตันหะเฉยๆก็อาจจะไม่หยาบมากนะแต่ถ้ามานะร่วมด้วยก็หยาบขึ้นคือนี่เป็นสิ่งที่บกพร่องอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาธรรมะนอกตัวนะเราสังเกตดูได้จากตัวเราเนี่ยเรามากักจะให้ความสำคัญไอ้ข้างนอกมากเยอะนะแท้ที่จริงออยู่ในตัวเรานี่เอง ถ้าเราเห็นอะไรเราบอกว่าโอ้นั่นนั่นงามนั่นดีไม่ดีแลนะ้วนั่นเราให้ความต้องการแกทีนอกตัวหมดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ผัสสะมันอยู่ที่ภายในตัวเราเจนพรยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าสีสันในโลกนี้เอานะถ้าผู้ชายก็บอกนึกถึงคนงามซะส่วนใหญ่ใช่ไหมหถ้าลองเราตาบอดนะถามว่าเอางามไม่งามเนี่ยนะถามว่าเอาไมหมสมบัติทางตานะสีสันในโลกนี้ทั้งหมดถ้าลองตาบอดเนี่ยนะจิตกรจิตกรกรมงามทําดีขนาดไหนก็ มันมีประโยชน์อะไรแกเราเลยเนี่ยนะก็บอกหูคนนั้นเสียงดีจริงๆเลยนะอ๋โห้เสียงอะไรจะเพเราะขนาดนั้นพอดีหูเสียไม่เกิดประโยชน์เลยนะหรือว่าอาหารนั้นบอกอร่อยเหลือเกินแต่ของเราต้องเข้าทางสายยางเนียชักทำไมเคดีแล้วชักไม่ไม่ไหวแล้วอาหารจะดีขนาดไหนเอาไหมเข้าสายยางแทนกินเหมือน ก, นะกันนะกินเหมือนกันเอาฉีดเส้นเลือดให้เลยเอ่ะ ได้ประโยชน์กว่าด้วยได้ประโยชน์กว่าเอาไหมหรืออยากกินเราเสียเวลากิน <laughs> เรายินดีในรถมากกว่าเนี่ยนะนะให้รู้รสหน่อย <laughs> <laughs> ให้รู้รสไหนๆหนอลอกๆไหนไหมให้ผ่านลิ้นหน่อยเพราะเราเรายินดีจริงๆเราติดยึดติดเนี่ยนะยึดติดหรือไม่ยึดติดเนี่ยนะพงษ์จึงตรัสไว้ในสัมมสาสสูตรในสังยุตตินิ迦 นิทานนวักงั้นนะฟังดูพระ อ, องค์ตรัสว่าสมัยหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกรรมมาสธรร ม, มนิคมของชาวกุรุณนะกุรุชนบทก็คือประทับอยู่ในแคว น, นี่นะถ้าพระ อ, องค์ประทับอยู่แควนนี้ส่วนใหญ่สู่ที่ตรัสจะลึกซึ้งเพียงนั้นเลยเพราะว่าเป็นแคว้นที่อากาศดีมากคนใจดีคนอะไรดีมากนะสา ม, มารถรับสิ่งลึกซึ้งได้อาหารดีอากาศดีที่ที่แควนเนี่ยนะ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับพิสูจนทั้งหลายตราเรียกพิสูจทั้งหลายเพว่อพิกษุก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในบ้างหรือไม่พิจารณาปัจจัยภายในบ้างไหมหรือว่าพิจารณาปัจจัยภายนอกของมันน่ะภายในกับภายนอกเธอพิจารณาอะไรแบบนั้น เมื่อพระองค์ตรัสถามอย่างนี้แล้วพิสุรูปหนึ่งได้ทูลได้กราบทูลเนื้อความนี้แด่พระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในพระเจ้าค่าพระองค์ก็เลยตรัสถามว่าเธอเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัใจจัยในภายในเนี่ยอย่างไรทันใดนั้นแหละพิสุรูปนั้นก็ทูลเล่าถวายให้ทรงทราบ พ, พิสุรูปนี้ก็เล่าเรื่องอาการสาสสองให้ฟัง แต่ก็ไม่ถูกพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนะพระองค์จะตั้งเขาไม่ได้จะตั้งเขาแสดงเรื่องนี้เพราะนั้นพิสุ ก, กล่าวถึงเรื่องอาการ32พระองค์ก็ไม่ถูกพระทยัยมันไม่ได้โกรธนะเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่รับนะเมื่อพิสุกรูปนั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วท่านพระอานุ์ก็ได้กราบทูลเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้ายกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วพระองค์ตรัส ก, การพิจารณาปัจจัยภายในข้อใดพิจารณาภายในยังไงเนี่ยนะพิสูจทั้งหลายฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อนั้นจากพระองค์แล้วจะทรงจำไว้ดังนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่าอานอนท์ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิสูนเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสูจในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่านะควรพิจารณาปัจจัยภายในควรพิจารณาอย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดในโลก เป็นทุกข์ร้ายอย่างต่างๆกันนะชราและมรณะที่เป็นทุกนี้แลมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชรามรณะจึงมีเมื่อพิเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่ารู้ว่าไงนะชรามรณะนี้มีอะไรก็บอกว่าชรามรณะเนี่ยนะ มีทุกขต่างๆหลายอย่างด้วยกันเลยนะตัวชรามรณะเนี่ยโอ้โหทุกติดตามมาอีกมากมายนะชรามรณะแก่กระตายเนี่ยนะทุกอะไรบ้างติดตามมาใช่ไหยโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดโรคทั้งภายในโรคทั้งภายนอกโรคกายโรคใจนะทุกมากมายหลายอย่างทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะชรามรณะที่เป็นทุกอย่างเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งเห็นไหม เธอก็ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดขึ้นในโลกเป็นทุกข์ร้ายอย่างต่างต่างกันชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้แลมีฟังสูตรนี้มามากนะบอกมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นที่ตั้งมีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิด เมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะและย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับชราและมรณะและเธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้น ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูก่อนพิสูรทั้งหลายเราเรียกพิสูรรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขเพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการนะถ้าปฏิบัติตามลักษณะนี่นะปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็คือปฏิบัติให้รู้ว่าไอ้ชราและมรณะทั้งหมดเนี่ยนะมีขันห้าอุปทิศมีหลายอย่างนะหนึ่งอภิสังขารูปทิ สองกิเลสุปูปทิขันธูปทิอะไรอีกตันหูปฏิเนี่ยนะแต่ว่าอุปธิตรงนี้หมายถึงการขันห้าถามว่าความแก่ความตายนี่อะไรแก่อะไรตายเพราะฉะนั้นขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นความทุกข์มากมายหลาอย่างทั้งหมดเนี่ยนะที่เรียกวัชรามรณะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากขันห้าทั้งนั้นเลยเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นขันห้านั่นแหละ เป็นตัวที่สําคัญมากนะขันห้านี่แหละเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุแห่งชราและมรณนะขันห่านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งชราและมรณนะ ข, นนะนนะนะขันห่านี่แหละเป็ น, นกําเนิดแห่งชาราและมรณะมีขันห่านี่แหละเป็นแดนเกิดนะชราและมรณะมีขันห้าเป็นแดนเกิดเมื่อขันห้ามีชราและมรณะจึงมีเมื่อขันห้าไม่มีชรามรณะก็ไม่มี เธอย่อมทราบชัดซึ่งชราและมรณะอันนี้สาระเริ่มเข้าแล้วนะให้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะตัวชรามรณะได้แก่อะไรนะชรามรณะได้แก่ขันห้านั่นเองเป็นตัวชราและมรณะอันนั้นโดยย่อทุกทั้งหมดคือขันห้าเพราะฉะนั้นขันทั้งห้านั่นแหละเป็นชราและมรณะอันนั้นให้รู้จักขันห้าก่อนรู้จักใ่รู้จกัจกแค่ไหน ขันห้าคื อ, อไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูญญ้รูปรูปรป้แค่ไหนจิงแค่ว่ารู้รู ป, รปนะนะที่ว่าไปเมื่อเช้าทั้งหมดนั่นแหละย่อมทราบชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนะก็ต้องอุปทีนั่นแหละคือตัวขันห้าขันห้าแบ่งระดับไหนบ้างระดับตั้งแต่อุปทิเอ่อนับตั้งแต่ปฏิสนธิการเรียกว่าชาติไล่มาเรื่อยๆ ก็ความเจริญเติบโตของขันห้านนั่นแหละที่สืบเนื่องมาเรื่อยย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะถ้าชรามรณะจะดับเพราะอะไรดับอันนี้เปลี่ยนสำนวนใหม่นะที่จริงเนี่ยนะชรามรณะก็คือรูปอะลองเปลี่ยนสำนวนดูสิจะเข้าใจขนาดไหนและย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถึงความดับแห่งชราและมรณะ ฟังสูตรนี้สัตจธรฐานสูตรอย่างเดียวนี่ก็ไปรู้สูตรอื่นต่างเยอะเนาะ<อ>และเธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมถ้าปฏิบัติตามนี้นะอย่างชราและมรณะลงสัจจะได้ลงอริยสัจได้คนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูความพิสูจทั้งหลายเราเรียกพิสูจรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตเพื่อความสิ้นทุกขเพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการ คนถ้าปฏิบัติดีจริงๆก็ต้องปฏิบัติแบบนี้จึงจะเชื่อว่าปฏิบัติชอบในอริยวินัยเนี่ยนะอันนี้นัยยะที่หนึ่งสงเคราะห์ชราและมรณะลงสัจจะสิอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยในภายในว่าปัจจัยภายในว่า ก็อุปธินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีอุปธิคือขันห้าใช่ไ้มอุปธินี่มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอ่ะพระองค์ก็เลยตรัสว่าเมื่อเธอพิจารณาย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัหาเป็นเหตุแม่นแั่ มีตันหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดเมื่อตันหามีอุปธิจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปธิก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิฉันต้นรู้ทราบชัดซึ่งขันห้าย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอุปธิคือตันหาซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิอุปธิจะดับเพราะดับตันหาได้ เธอย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันคูสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งอุปธิและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นรู้ชัดปฏิปทาแล้วปฏิบัติเพื่อความดับอันนั้นด้วยเชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูกวามพิสูจนทั้งหลายเราเรียกพิสูจนรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขเพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการนะเชื่อว่าคนปฏิบัติดีต้องปฏิบัติแนวนี้นะ อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็ตันหานี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหนตันหาเกิดเกิดที่ไหนถ้าตันหาจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแลเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลก ตัญหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นที่ไหนเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกอย่างนั้นเถอะปัญหามเกิดแถวนั้นแหละบ่อยอะไรไม่ค่อยให้ความชื่นใจไม่ค่อยคิดหรอกบอกว่าก็อะไรเล่าเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตาเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นแหละ โอเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นแหละก็คิดดูนะถ้าไม่มีตาอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยอะไรที่สถานที่ในโลกนี้มันดีที่สุดงามที่สุดเนี่ยนะมันจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าตาเราบอดสักอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมมองข้ามเหมองข้ามอิเหตุสาคัญนะใช่เพราะว่าตันหาที่ยินดีในสีนั่นแหละ เป็นตัญหาเพื่อสร้างตาโดยตรงขณะที่ยินดีในสีเมื่อไหร่แสดงว่าถ้าลองจะหลับตาไปดูสิ่งนั้นๆเนี่ยเอาไหมไปถึงแล้วไปถึงหลับตาอย่างเดียวเลยให้ใครมาปิดตาไว้เนี่ยฉะนั้นเรายินดีในตาของเรามากถ้าสีจะเสียกับตาจะเสียเนี่ยเราจะปิดอันไหนก่อนปิดตาก่อนนะสมมติโอ้โหภาพนั้นงามมากแต่ว่า มีมืออยู่อันเดียวอนะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาทําให้สองอย่างนี้เสียเราจะไปปิดสีไว้โอ้โหสีทำไมให้คนุณ ด, ดูดูต่อไปหรือจะปิดตาของเราเอาไว้เราห่วงอะไรมากกว่ามีผู้ที่เคยค้านผมครับเพราะเราศึกษาแเราเราพิจารณาภายในใช่ไหมฮะบอโอ้จะไปพิจารณาอะไรลืมตาก็เห็นแล้วอะไรเพราะฉะนั้นเปพิจารณาข้างนอกเจนทานนะแต่มันไม่ตรงกระสูตรนี้แค่นั้นแหละ เระองค์ก็ตรัสทั้งตาทั้งสีนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ตาอันเดียวเพราะว่าถ้ารู้เรื่องตาจริงๆก็รู้ว่าตานี่เป็นวิสยรูปเป็นรูปที่เกิดขึ้นเพื่อรับสีถ้าเราคิดให้ละเอียดจริงๆลนะถ้าไม่มีตาเนี่ยสีเหล่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยพอจะมานึกเลยอยาง้งเลยนะผู้หญิงจะไม่น่ารักสักคนเลยถ้าตาบอดเนี่ยผู้ชายจะไม่มีหล่อสักคนเลยถ้าผู้หญิงตาบอดหมดนะเท่ากันหมดเลย บ้านหลังงามๆเป็นต้นนะให okay. ้อยู่ห้องแคบๆกั็ให้อยู่ห้องกว้างๆนะถ้าตาบอดอยู่ได้เท่ากันไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเลยนะบ้านหลังใหญ่หลังโตโอถงเนี่ยนะเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องสบายมากเสื้อผ้ายังไงก็นุ่งได้กันหนาวกันร้อนอย่างเดียวไม่ได้คิดแต่งเอางามอะวรกันนี้นะถ้าหูเสียสักอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้ยใครมีรายการอะไรก็ไม่รับรู้สักอย่างเลยนะเขาหัวเราะนั่งขำกันชั่วโมงเรายังไม่รู้ว่เขาหัวเราะอะไรเลย ไม่รู้เขาคุยอะไรการเห็นแต่ปากพังงับพังงับว่างั้นหูนี่สําคัญมาก น, น้ําหอมแพงๆเนี่ยนะลองจมูกเสียดูสิลองวันไหนเป็นหวัดเนี่ยนะแล้วเขาเขาใใช้น้ําหอมเนี่ยเอาไมโอ้โหตอนนั้นเป็นหวัดจมูกนี่มาเด็กลิ๊นซากอย่างเลยนะวันนั้นเนี่ยลิ้นเปื่อยทั้งทั้งลิ้นเลยนะอาหารอะไรที่สุดเลยในบรรดานอาหารเนี่ยวันนั้นลิ้นเสียอย่างเงี้ยลิ้นเปื่อยอย่างเงี้ยเนะีไม่เกิดประโยชน์เลยอย่างนั้น คือเรื่องนี้เนี่ยเคยพูดกันไม่ใช่ว่าไม่เคยพูดกันนะครับเรายกขึ้นมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็มีผู้ตั้งปัญหาว่าก็พูดถึงว่ามันเกิดที่หูเนี่ยหมายความว่ามันเกิดที่ภาษาท่าหูหรือโสตตาภาษาท่าหรือหรือจักกูภาษาท่ใช่ไหมก่อนในเมื่อจักกูภาษาท่ากับโสตตาภาษาทานั้นเนี่ยไม่ปรากฏแล้วเราจะไปพิจารณาได้ยังไทงทั้งทั้งที่ในนี้ก็บอกว่า เป็นรวบหยาบนะเป็ น, ปนโอรานะรู ป, รปแล้วก็ตันหาเกิดเกิดนตรงนี้ถ้าจะดับก็ดับตรงนี้ถูกไหมครับเจนพานเพราะฉะนั้นถ้าหากลดตั้งทฤษฎีบอกว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ปรากฏเราไม่ต้องพิจารณาก็จบแสดงว่าภาษาทาทั้งห้านี้ไม่ได้เคยสนใจเลยคือคำว่าปรากฏเนี่ยน ะ, ะมีขอบเขตแค่ไหนก็เข้าใจว่าคงจะสัก5้าทวารมั้งครับ แต่ว่าทวารที่หกมันมีเพราะคำว่าปรากฏเนี่ยมันเพราะเราไม่แน่ใจเพราะถ้าตามของอาตมาเองนะตามความเข้าใจของอาตมาส่วนตัวแบบทุกอย่างในโลกมันปรากฏหมดแหละแต่เราโง่เองมาไม่รู้เองเนี่ยนะเราไม่ฉลาดมองรู้สิ่งนั้นเองทุกอย่างประกาศตัวเองหมดเลยแต่เรามองไม่เห็นเขาเองอย่างยกตัวอย่างนะอารมณ์ในทวารห้าเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่อย่างนั้นแหละเราจะรับรู้อะไรเนี่ยนะ ในโลกนี้ทั้งหมดเหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องห้องหองเขาก็มีอยู่อย่างนี้ทั้งหมดแหละเราจะไปใช้สถานที่ที่ไหนเท่านั้นเองันทุกอย่างปรากฏหมดแล้วแต่ว่าเราจะใส่ใจอะไรเนี่ยนะตาก็ปรากฏอยู่ตลอดเพราะมีขณะไหนที่ตาเราไม่มีบ้างามีไม่ขณะที่ไม่มีตาเลยเพราะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตาบอดนี่มีตาอยู่ตลอดหูก็มีอยู่ตลอดจมูกก็มีอยู่ตลอดลิ้นก็มีอยู่ตลอด กายก็มีอยู่ตลอดใจก็มีอยู่ตลอดเนี่ยนะแล้วถ้าพูดถึงตาเบื้องหลังของตาก็ได้แก่มหาพูดมหาพูดเหล่านั้นก็มีอยู่ตลอดซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานหูก็เหมือนกันก็มีอยู่ตลอดเมื่อเสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดเราไม่พิจารณาเองจะว่าเขาไม่ปรากฏไม่ได้เนี่ยนะคือแม้จะเป็นรูปหยาบแล้วแต่ก็ต้องรู้ได้ด้วยทางมนโนทวารข้อปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติด้วยปัญจทวารวิถีครับคือ เราละเว้นเราห่างเหินเรื่องมโนทวารเนี่ยเราก็คิดบอกว่าถ้าทางห้าทวารเนี่ยไม่สามารถไปสัมผัสได้แล้วก็ถือว่าไม่ต้อ ง, อ, งอย่างนี้ไม่เจนท่เพราะว่าข้อปฏิบัตินี่นะไม่ได้ปฏิบัติด้วยปัญจทวารวิถีเพราะถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจว่าบริสุทธิ์ด้วยปัญจทวารวิถีเนี่ยนะคนนั้นก็จะเช่นตื่นเช้ามาจะต้องไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมตามลัฐที่ของอ่าของเดรธีบางรัฐที่เนี่ยนะ ตือนเช้ามาเนี่ยเห็นวัวเห็นช้างเห็นมา้าเออนี่แหละนี่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์วัดได้ฟังตื่นฟังตื่นเช้ามาโอ้ฟังคําว่าเจริญคําว่าดีนะคำนี้เป็นมงคลเตือนเช้ามาได้กลิ่นหอมๆกลิ่นธูป ก, กลิ่นอะไรนี่เออนี่ดีอันนี้จะบริสุทธิ์ได้เพราะได้กลิ่นแบบนี้บางคนเตือนเช้ามาได้รับรถแบบนี้นะได้รับรถแต่แบบนี้อย่างเดียวรถอื่นๆไม่ต้องถ้ารับรถแบบนี้จะบริสุทธิ์ได้ บางคนจะต้องทองโพธาภาพแบบนี้เช่นตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำต้องน้ำต้องน้ำประเภทนี้นะจึงจะทำให้บริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่าเอาการรับกระทบในปัญจารมทั้งห้าเป็นประมาณก็จะเป็นใ ล, ลักษณะนั้นนะเป็นลัที่นั้นทันทีเลยแต่นี้ไม่ใช่ปฏิบัติจริงๆมุ่งไปที่ปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะการพิจารณาอันนี้เนี่ยเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมคือกรรมสกตา ถามว่ากรรมมันให้ผลที่สีหรือให้ผลที่ตาอที่ตาเพราะตาต้องพิจารณามากๆว่ากรรมสกตาชั้นต้นเลยนะกรรมให้ผลที่หูหรือไปให้ผลที่เสียงที่หูกรรมให้ผลที่จมูกหรือให้ผลที่กลิ่นอะไรต่างๆแหละกรรมให้ผลที่ลิ้นหรือว่าให้ผลที่เข้าในจานใช่ไหมกรรมให้ผลที่ในร่างกายเราหรือให้ผลที่ภูเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผวังอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยถ้าไม่รอบรู้สิ่งเหล่านี้เราก็คิดแต่เรื่องไกลตัวทั้งนั้นเลยแล้ววัดแล้วไอ้ทุกข์เนี่ยมันอยู่นอกตัวหรือว่าอยู่ในตัวใช่ไหมยนะอยู่ในตัวเราวันเราแก้ปัญหาข้างนอกหรือข้างในดีใช่ไหมแต่ตรงนี้ขอมาก็ขอเอาตามนี้แหละถ้า พ, พิจารณาไม่ได้พระองค์ไม่สอนเด็ดขาดสิ่งที่พระองค์ไม่ให้คิดเลยนะก็คือสิ่งที่เป็นอจินไตอ่ะสอย่างเท่านั้นเองคิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยนะพระองค์บอกเลย ถ้าจะคิดให้คิดเรื่องอริยสัจจะขู่เป็นทุกขศาสตร์ไหมเป็นอะนะสีเป็นทุกขศาสตร์ไหมก็เป็นสีเนี่ยนะสีจริงๆแล้วนะสีภายนอกกับสีภายในเราติดสีไหนมากที่สุดเอานี่นะถ้ามีของกระเด็นมาเปื้อนเนี่ยนะเปื้อนหน้าเรากับเปื้อนเสาเนี่ยนะอันไหนเราจะทุกข์มากกว่ากันถ้าหน้าถลอกกับเสาถลอกเนี่ยเราจะอะไรจะทุกข์กว่ากันหน้าทะลอกมันสีกับสีภายในซะส่วนใหญ่ใช่ไหม เราติดภายในมากนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายในเนี่ยสําคัญมากสูตรนี้เอาเรื่องภายในมาตั้งเป็นหลักเลยถ้าถ้ามีมือมือเดียวนะไฟไหม้บนหัวเราอย่างรุนแรงกับไฟไหม้หัวคนอื่นเนี่ยจะปัดหัวใครก่อนของมาต้องปัดหัวตัวเองก่อนนะโลกนี้รักตัวเองมากที่สุดเห็นไหมแต่รักคนอื่นเนี่ยก็คือเพื่อคนอื่นเขาจะมาช่วยสนองความสุขให้เราจริงรักเขาอะ กับเขาไม่ช่วยสนองความสุขให้ไม่เอาหใช่ไหม